เราเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะหาของไม่เจอหาเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็หาไม่เจอถ้าท้องที่ของนั้นเนี่ยเพิ่งถืออยู่ในมือนะไม่นานมันนี้เองมันไม่ใช่ว่าเป็นของที่เราเก็บหรือว่าสะสมที่ใดที่หนึ่งไว้นา น, น, าน ถึงเวลาจะหาหาไม่เจอจะเป็นของที่เพิ่งจัดเพิ่งถือมานะเมื่อสักครู่นี้เองอาจจะสิบนาทีที่แล้วหรือว่าไม่กี่นาทีที่แล้วเช่นดินสอปากกาแว่นตาอาจจะเป็นกุญแจ หลายคนมีปัญหาแบบนี้นะเมื่อ จ, จะเดินทางก็หากุญแจรถไม่เจอทั้งๆที่เมื่อสักครู่นี้ยังถือไว้อยู่เลยจะอ่านหนังสือก็หาแว่นตามไม่เจอทั้งๆที่เมื่อสักครู่นี้นะเพิ่งวางเอาไว้บนโต๊ะ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 อยากจะจับนะอยากจะถืออยากจะใช้เช่นนะกาลังถือกุญแจอยู่นะแต่ว่าเห็นโทรศัพท์นะก็เลยวางกุญแจแล้วก็จับโทรศัพท์นะเพื่อเช็คข้อความตอนนั้นใจมันไปอยู่ที่โทรศัพท์แล้วคราวนี้จะจับ หรือจะถือโทรศัพท์ให้ได้ก็ต้องวางของที่มีอยู่ก่อนวางของที่มีในมืออยู่ก่อนก็วางโดยที่ไม่ไม่ไม่รู้ตัวก็วางได้เพราะตอนนั้นอยากจะจับอยากจะถือโทรศัพท์มากกว่าไอ้ตอนที่เราวางโทรศัพท์เนี่ยไอ้ตอนที่เราวางกุญแจเนี้นอันนั้นไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ใส่ใจ ใช้โทรศัพท์เสร็จทำโดนทำนี่สักพักนึกขึ้นมาได้ถึงเวลาจะใช้กุญแจนะขับรถนึกไม่ออกว่าวางกุญแจไว้ที่ไหนทั้งที่เพิ่งถือไว้เมื่อสักห้านาทีที่แล้วนี่เองในวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะสังเกตรหรือเปล่าเราก็เลยต้องหา เราเสียเวลาการหาของที่เพิ่งจับเพิ่งถือไปนะวันวนัหนึ่งวันหนึ่งก็คงจะใช้เวลาแบบนี้ไม่น้อยในการหาทั้งๆ ท, ที่ก็ไม่ใช่เป็นคนแก่ที่หลงคิดลืมไม่ใช่อัลไซเมอร์หรือว่ากําลังเป็นอัลไซเมอร์อันนี้มันสะท้อนเห็นถึงความไม่รู้ตัวความไม่มีสตินะซึ่งมันเกิดขึ้น กับเรานี่วันละหลายครั้งวางของไม่เป็นที่นะหรือว่าวางของแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันก็วางง่ายมากเลยมือของเรานี่นะมีประโยชน์มากมายนะในการจับการถือแต่ว่าบทเวลาที่จะวางเวลาที่จะปล่อยนี่นก็ ทำได้ง่ายมากง่ายจนกระทั่งจำไม่ได้ว่าวางอะไรไว้ที่ไหนจะลองสังเกตดูนะใจของเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงกันข้ามใจของเราเนี่ยมีปัญหาคือว่าชอบแบกบชอบยึด ชอบจับชอบฉวยแล้วก็ยึดเอาไวต้ตะพึกระพือเลยในขณะที่มือของเรานะมันวางอะไรต่ออะไรเนี่ยง่ายมากมางไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะแต่ว่าใจเนี่ยนะกับยึดกับฉวยแล้วก็จับเอาไว้แน่นเวลาจะปล่อยนี่ปล่อยยากเหลือเกินนะไปจับไปฉวยอะไรนะ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 แล้วก็ยิ่งเป็นความรู้สึกผิดหรือการกระทําที่ไม่ดีนะกับใครบางคนที่เรารักเนี่ยมันก็ยิ่งนะยิ่งจัดยิ่งชวยไว้นแน่นพอถึงถึงทีไรก็เศร้าโศกเสียใจนะในบางเรื่องหรือว่าโกรธแค้นโมโหนะในเรื่องอื่นจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ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 แล้วก็เป็นเรื่องลบเรื่องร้ายทั้งนั้นทำให้วิตกกังวลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการนะเรื่องลูกหลานเรื่องพ่อแม่จะเป็นเรื่องความเจ็บความป่วยนะเป็นเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนต่อหรือ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 ลองนึกภาพสุมว่ามีหินหรือของหนักนะสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราจะเป็นโต๊ะก็ได้นะลองแบกดูสิหลายคนก็จะโสโหมันมันแบกนี่มันหนักนะจะให้แบกไว้นานๆนี่ไม่ไหวนะอยากจะปล่อยอยากจะว่าง เวลาแบกของหนักเนี่ยนะเราจะรู้สึกเลยว่าการวางเนี่ยมันง่ายกว่าการแบกแต่ทําไมเนี่ยนะใ้เรื่องของใจเนี่ยเราถึงพูดว่าวางเนี่ยมันยากแต่ไม่เคยถามเลยว่าเราแบกเนี่ยนะมันง่ายหรอแบกหรือถือมันไม่ง่ายหรอก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 มันเหมือนกับมีที่กรีดนะกรีดใจเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางย่ามก็เหมือนกับเป็นไฟนะที่เผาล้นจิตใจการแบกบการยึดเรื่องราวแบบนั้นหรืออารมณ์ที่สืบเนื่องนะบางครั้งมันเหมือนกับเราถือฐานก้อนแดงๆหรือถือกองไฟไว้ในมือนะมันเจ็บนะ จะทำไมไม่วางนะในเมื่อรู้ว่าปวดนะทำไมไม่ปล่อยอ น, นี่เป็นบัญหนาของใจนะใจเนี่ยนะมันชอบแบกนะชอบแบกชอบยึดในสิ่งที่ทําความเจ็บปวดให้ทั้งบีบคั้นทั้งเผาลนนะทั้งกรีดแทง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 จากมือที่มันชอบปล่อยชอบวอไม่เป็นที่เนี่ยกับใจที่มันชอบยึดชอบแบกนะตะพืดนตะพื้นเนี่ยนะมันจะเป็นปัญหาที่ต่างกันคนละประเภทเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือมันเกิดจากความไม่มีสติความไม่รู้ตัวเมื่อเราวางระวา ง, วางขณะที่ใจเราลอย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 ก็ไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมาลืมตัวดังหากมามือคนที่พบ ว, ว่าบ้านกำลังถูกไฟไหมนะ้ไฟไมันไหม้ไปเยอะและ้วตกใจนะเข้าไปในบ้านนะพยายามขนทรัพย์สมบัติออกมาแต่บางคนเนี่ยสิ่งที่ขนเนี่ยสิ่งที่แบกเนี่ย นะไม่ใช่โทรศัพท์อไม่ใช่โทรทัศนะ์ไม่ใช่ เ, เพชรดินจินดาเลยนะแต่แบกโองนะ่งแบกตุม่มนี่ออกมามันก็หนักนะโอค์หรือตุ่มเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนักเลยนะพอวิ่งไปสักพักนะไกลาจากอันตรายแล้วถึงค่อยรู้สึกว่าโอ้มันหนักก็เพิ่งนึกได้ว่าเราแบกโองเนี่ย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 ตอนนั้นไม่รู้ตัวนะเราแบกของหนักนะนะเพราะความไม่รู้ตัวไม่มีสติเพราะความตื่นกลัวตกใจแต่มันไม่ใช่เฉพาะความกลัวอย่างเดียวนะความโกรธหรือความเครียดแค้นเพียบบากก็ทำให้เราลืมตัวได้เหมือนกันบางทีก็ลืมตัวไปด่าเขาไปทำร้ายเขา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 กลับมาดูว่าไอความกลัวกลังเผาผลาญใจแล้วพอไม่รู้ น, นั้นก็เลยแบกเอาไว้เพียงเรานะมีสตินะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะรู้ใจเลยโอ้ใจมันกาลังแบกอะไรต่ออะไรแย่แค่รู้เท่านั้นนะมันวางเลยนะพอรู้ว่า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 กลับมามองตนนะมันจะเห็นอารมณ์พวกนีนะ้กำลังครอบงำนะกาลังเรียกว่าข่มขี่นะจิตใจเราถ้าจิตเห็นตรงนี้นะมันสลัดนะมันสลัดตัวไปเลยไม่ยอมนะตกเป็นธาตุหรือตดเป็นเบี้ยล่างของอารมณ์เหล่านี้ อารมณ์เล่านี้มันกลัวมันกลัวถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกับโจรนนะที่แอบเข้ามาขโมยของในบ้านเนี่ยมันก็กลัวเจ้าของบ้านเห็นนั mm ่น hmm. ม, มันพยายามทาให้เจ้าของบ้านเนี่ยนะนะไปเมิร์อมองออกไปข้างนอกเช่นอาจจะมี พ, พวกอีกกลุ่มหนึ่งนะไปทำเสียงดังอยู่ข้างนอก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 ใจเราเนี่ยมันถูกทําร้ายแนละ้วถูกเผาล้นนะด้วยความโกรธอยากให้เขาอยากแช่งชักให้เขาไปลงนรกนะแต่ว่าจิตของเราตอนนั้นมันลงนรกไปแล้วลไม่รู้ตัวนะลงนรกไปแล้วยังไม่รู้ตัวอีกนะอันนี้เพราะว่าเสียท่านะถูกไอ้ความโกรธมันหลอกแต่ทันทีที่เรา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 กำลังขโมยกาลังขนทรัพย์สมบัติดูนะขโมยมันตกใจมันหนีไปเลยทันทีที่มันสบตากับเจ้าของบ้านนะ่ถ้าเรารู้ตัวได้นี่นะมีสติมันจะวางมันจะวางเองปัญหาที่เคยเกิดขึ้นบอกว่าปล่อยวางมันยากนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อเรามีสติรู้ตัว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 โทรศัพท์หรือกุญแจรวมทั้งกระเป๋าเงินต่ตอนที่ถือเนี่ยนะก็ให้ถือด้วยความรู้สึกตัวมีสติและเวลาจะวางเนี่ยก็ให้มีสติรู้ตัวนะอย่าพึ่งไปรีบวางเพื่อที่จะไปหยิบไปจับไปช่วยสิ่งอื่นที่กำลังจะต้องการใช้นะเช่นโทรศัพท์หรือว่าช้อนนะหรือว่าแก้ว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 วันนึงเนี่ยเราก็มีโอกาสเจริญสติด้วยการวางของเนี่ยอย่างใส่ใจ เ, เป็น ร, ร้อยร้อยครั้งเนี๋ยยไม่ต้องพูดถึงว่าระหว่างที่ทําสิ่งใดเนี่ยก็ทําด้วยความรู้ตัวถูฟันนะก็ถูนนถด้วยความรู้ตัวไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นนอกจากการรับรู้ว่ากายกําลังนะถูฟันกําลังอาบนะ้ำ อันนี้เร า, เาทําความรู้สึกตัวในขณะที่ทํากิจต่างๆถ้าทํานี้ได้เป็นนิสัยยิ่งดีเลยเพราะวันนหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรต่ออะไรมากมายตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยเราทําอะไรเยอะแยะนะด้วยด้วยมือนะด้วยกายของเราอาบน้ําถูฟันกินดื่มเคี้ยวลิ้มเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเหลวซ้ายแลขวาคือน้าลายกระพริบตา นะอิตุลาปัสวะอันนี้คือทำด้วยกายทั้งนั้นและระหว่างที่ทำด้วยกายก็ให้รู้กายก็คือรู้ว่ามันกาลังกายกำลังทำอะไรนะอย่างอื่นอน่ย่าวเพิ่งสนใจนะทำทีละอย่างระหว่างที่อ า, นาบนะ้ำนะถูฟันก็ยังไม่ต้องคิดนะว่าเช้านี้จะทำอาหารอะไรนะ ให้ลูกกินหรือว่าเช้านี้จะทำอาหารอะไรให้คนในวัดให้พระได้ฉันนะทําทีละอย่างนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทําทีละอย่างเวลากินข้าวก็ใจก็รับรู้อยู่การกินข้าวหลายคนทําหลายอย่างพร้อมกันเช่นกินข้าวไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยกินข้าวไปด้วยเช็คข้อความหรือว่าตอบไลน์นะ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 อันนี้เพราะว่าเราปล่อยเราสร้างนิสัยนะฟุ้งสร้างด้วยการทำรํำหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วพอเห็นนี่แหละนะเวลาจะหาของเลยหาไม่เจอเพราะาตอนที่วางของเนี่ยใจมันลอยคิดโน่วยคิดนี่นะลองสร้างนิสัยใหม่นะเวลาจะวางของอะไรเนี่ยก็วางอย่างมีสเตจรู้สึกตัวไม่ผุนผันเวลาทำอะไรก็ทํา ด้วยความรู้สึกตัวคิดอะไรมันก็ไม่เผลอคิดนานวางมันลงได้และวิธีนี้แหละนะมันจะช่วยสร้างนิสัยมายให้กับใจของเราจะไม่เผลอชอบแบบชอบยึดนะอะไรตะพึ่ตะพือจนกระทั่งทำร้ายตัวเองอาจจะไม่ทำร้ายกายแต่ทำร้ายจิตใจทำให้ทุกข์ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เครียดนะ นะฝึกใจเนี่ยให้ปล่อยวางนะด้วยการนะมาฝึกกายของเราเนี่ยเวลามันจะวางอะไรก็วางอย่างมีสติวางด้วยความรู้สึกตัวจะทำอะไรก็ทำด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวนะฝึกกายดีมันก็ไปฝึกใจนะใ ห, ให้ดีตามไป ด, ด้วยเพราะกลับมามีสติมีความรู้สึกตัว ซึ่งช่วยทำให้วางอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นชาลีวกกัทเทนนีนะกระพรับ